มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัคมนาสิการะปัญหาที่เจ็ดถามว่า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 พระเจ้าวิลินมีพระราชะองค์การซักถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเษนผู้มีปรีชายานโยนิโสมนานสิการนั้นไม่ใช่ปัญญาหรือประการใดพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่าโยนิโสมนานสิการมิใช่ปัญญาและโยนิโสมานสิการนั้นมีลักษณะสถานหนึ่งปัญญามีลักษณะสถานหนึ่ง และโยนิสโสมนาสิกานั้นมีในสัญดานแห่งสัตว์ทั้งหลายคือวัวควายช้างหมาสัพพสัตทั้งปวงเหล่านี้และสัตว์ดังพนานามานี้จะได้มีปัญญาหาไม่ได้มีแต่โยนิสโสมนาสิกาขอถวายพระพรมนาสิการะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้